มีความล ด, ดหลั่นกันขึ้นไปตามความประนีของใจซึ่งเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตำหลักของกรรมฐ า, านเพราะในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตของบุคคลนั้นมีความเจริญเติบโตเกี่ยวเกาะอยู่กับอารมณ์ทั้งหลายซึ่งมีลักษณะเพิ่มพูนกิเลสมากกว่าเป็นการเพื่อพูทธะ พาะการปฏิบัติจึงต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามมากบางครั้งทรงอุปมาเห็นว่าเป็นเหมือนกับภาชนะทองเหลืองที่มีสนิมแตกต่างกันเราต้องการให้ภาชนะเห่าดันมีความสะอาดมันก็ต้องนำมาขัดแต่ว่าการขัดก็ต้องใช้เวลามากน้อยม่เหมือนกันใช้เร็วแรงใช้ความพยายามแตกต่างกัน ตามสนิมที่จับอยู่ที่ภานชนะนั้นๆการขัดเกลาจิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกันแตากว่าจิตใจของบุคคลมีกิเลสมีอารมณ์ที่เก็บสะสมไว้มากๆและในแต่ละวันก็มีอินทรีย์ที่ท่านท่านใช้ก็ว่ามีอินทรีย์เปิดคือหมายความว่า ตาเราก็ได้สายไปดูรูปซึ่งน่าใครน่าปรารถนาหน้าพอใจบ้างไม่น่าใครไปหน้าปรารถนาไม่น่าพอใจบ้างเราดูแล้วคล้ายๆจะไม่มีปัญหาอะไรแต่แท้จริงแล้วเหมือนกับการหายใจเอาอากาศบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เข้าไปในต้ น, ต, น, ต, นต้นก็ดูแล้วไม่ค่อยมีอะไรเท่าไหร่ ถ้เมื่อนานเข้า น, านันคาบมันจะมีการสะสมหมักผมอยู่มา ก, กขึ้นสร้างความทุรพลสร้างความออนเพรียไปแรงให้เกิดขึ้นกับร่างกายของเราได้จิตใจมันก็มีลักษณะเช่นเดียวกันถ้าบุคคลมีอารมณ์เปิดคือตาสายไปดูรูปหูสายไปฟังเสียงจมูกสายไปดมกลิน่นลิ้นสายไปดื่มรส กายสายไปหาสัมผัสที่น่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจบ้างไม่น่าใครไม่น่าปรารถนาไม่น่าพอใจบ้างทุกขณะจะมีความยินดีและความยินร้ายเกิดขึ้นในอารมณ์เหล่านั้นความยินดีและความยินร้ายที่เกิดขึ้นแล้วไม่ใช่ว่าหายไปเลยส่วนหนึ่งมันก็ตกอยู่เป็นตะกอนใจํำลองคล้ายๆกับการหายใจออกอากาศเข้าไปแต่กล่าวแล้ว เ ร, รับกลิ Men ่นเม็นกลินหอมในขณะนั้นแต่ว่าส่วนหนึ่งก็ตกตะกอนอยู่ภายในร่างกายของเราจิตใจของบุคคลจึงมีการสะสมหมักหมมสิ่งต่างๆเอาไว้เป็นอันมากในส่วนที่ดีก็เกื้อกูลต่อจิตใจส่วนที่ไม่ดีก็ทําจิตใจของบุคคลให้แปรผันไปปัญหาสำคัญอยู่ที่การรับรู้ในชีวิตประจําวันถากว่า บุคคลไม่มีอินรีเปิดคือไม่สายไปดูรูปเป็นต้นมากเกินไปแต่ถ้าหากสายไปก็ควบคุมทิศทางขอการสายไป่น จ, จะดูอะไรจะฟังอะไรจะสุดดมอะไรก็ตางกิเลสที่ยังไม่เกิดก็จะไม่เกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะค่อยๆ่อยสงบระงับลงไปหรือยังไม่มีอะไรก็คือไม่เพิ่มขึ้น ก็คิดว่าเป็นการปฏิบัติเป็นไปเพื่อความสงบกิเลสหรือเครื่องส ม, มองใจได้ในระดับนั้นเพราะฉั้นบางครั้งบางคราวก็ส่งสอนในรูปของการให้ใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิณิพิจนาอารมณ์บางครั้งจะทรงใช้ในรูปของความไม่ประมาทบางครั้งบางครั้งจะส่งใช้ในรูปของการใช้ปัญญาก็แล้วแต่ ความไม่ประมาทก็คือเรื่องการอยู่อย่างมีสติเั่นเด่การใช้ปัญญาที่จริงก็คือการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทจะปฏิบัติโดยนิยะใดก็ได้เหมือนกันผลก็จะออกมาในลักษณะเดียวกันอย่าในกรณีของการอยู่ด้วยความไม่ประมาททรงสอนให้ระวังใจของเรา แรือแทนที่จะไประวังตัวอารมณ์แต่ระวังที่ใจของเราเพราะอารมณ์นั้นเราก็ข้ามกัน้นอะไรก็ไม่ได้เรานั่งไปในยานภาณะ ก, ก็ต้องพบต้องเห็นสิ่งต่างๆก็ได้ยินสิ่งต่างๆได้สุดลมสิ่งต่างๆได้ถูกต้องสิ่งต่างๆและบางครั้งก็อาจจะได้ลิ้มได้ชิมสิ่งเหล่านั้นน่กลับไปสรุปว่าบางโอกาสนั้นประสาทสัมผัสทั้งห้าได้รับอารมณ์ที่ผ่านเข้ามา ใจก็จะหนดด้วยความยิน ด, ดีบ้างด้วยความยินร้ายบ้างเพราะในชั้นนี้จึงไม่ไปใส่ใจที่ตัวอารมณ์แต่มาใส่ใจที่ตัวใจของเราเองคือรมร ะ, ระมัดระวังใจของเราเองเพราะเราจะให้เกิดกิเลส ก, ก็ได้จะไม่ให้เกิดกิเลส ก, ก็ได้แต่ตัวอารมณ์นั้นเราไปทำลายไม่ได้เพราะอะไรเพราะอารมณ์ทั้งหลายมันเป็นทรัพย์ เช่นสมมติเราไม่พอใจในรูปบางรูปก็วกายจะทำลายรูปนั้นก็เป็นการทาลายทรัพย์สินของบุคคลอื่นจิตที่คิดจะทำลายนั้นเป็นโทสักเมื่อทำลายไปแล้วก็กลายเป็นการทำลายทรัพย์สินของเขาก็กลายเป็นการผิดศีลขออ้ออาทิตนาทานวิธีการในพระพุทธศาสนานั้นไม่ใช่ว่าทำบุญตรงหนึ่งแล้วไปเพิ่มบาปอีกตรงหนึ่ง แต่ว่าทำบุญแล้วจะต้องมีการเพิ่มบุญไม่ใช่เป็นการเพิ่มบาปนั้นทำยังไงจึงจะสามารถได้รับประโยชน์จากอารมณ์เหล่านั้นหรืออย่างน้อยอารมณ์เหล่านั้นไม่สร้างปัญหาให้แก่จิตใจของเราแต่ตาคงเห็นรูปหูก็คงฟคังเสียงจมูกก็คงดมงกลิ่นลิ้นก็คงลิ้มรสกายก็คงถูกต้องเย็ร้อนอนแข็งอยู่แต่เด็เพียงแต่มาปรับเปลี่ยนที่ใจของเรา มีการวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เพื่อสังเกตว่าอารมณ์ทั้งหลายนั้นที่จริงจะดีหรือไม่ดีนั้นเราก็อยู่ที่ใจเราไปกําหนดเอาบางครั้งเรื่องที่ไม่ดีแต่ว่าเขาไปกระทําตบคนที่เราไม่ชอบเราก็รู้สึกดีมีความชื่นชมมีความพอใจชอบใจในบุคคลนั้น เป็นคนที่เป็นศัตรูเราหรือคนที่เราไม่ชอบถูกลงโทษถูกด่าว่าถูกตำหนิถูกนินทาทั้งหมดที่จริงเป็นเรื่องไม่ดีการลงโทษก็ดีการตำหนิก็ดีการด่าว่าก็ดีการนินทาก็ดีมันไม่ดีทั้งนั้นแต่พอดีเขาไปทำกับคนที่เราไม่ชอบแล้วเกิดชื่นชมในสิ่งที่เขากระทำและในตัวบุคคลผู้กระทำแต่ทีนี้ถ้าหากว่า สิ่งที่ดีๆนั่นเองคนเกิดไปทำกับบุคคลที่เราไม่ชอบขา่าวแรงริษยาที่มีอยู่ภายในใจของเราทาให้ใจบุคคลไม่พร้อมก็อาจจะเกิดโกรธในสิ่งที่เขากระทาหรือไม่ในผู้ที่กระทำหรือไม่พอใจในสิ่งที่เขากระทำก็ได้ หันจากจุดนี้เราจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าความดีหรือไม่ดีของอารม์นั้นที่จริงแล้วส่วนหนึ่งก็เกิดขึ้นจากการกำหนดของเราเองตีงนี้มองในทํานองตรงกันข้ามถ้อยคำไม่ดีหรือการกระทาที่ไม่ดีที่เราเคยแสดงความชื่นชมเมื่อมีคนกระทาต่อคนที่เราไม่ชอบนั้นถ้าเปลี่ยนตัวบุคคลคือเข้ามาทาต่อเราหรือทากับคนที่เราชอบ เราก็จะวินิจฉัยฝ่ายว่าสิ่งนั้นไม่ดีคนกระทัำนั้นไม่ดีแล้วเกิดโรดรกรธต่อบุคคลเหล่านั้นแต่ว่าสิ่งที่ดีๆซึ่งคนที่ซึ่งเขากับทํากับคนที่เราไม่ชอบแล้วที่เราไม่ชอบเรารู้สึกไม่พอใจไม่ยินดีมาแต่ตัวนั้นพอดีก็เปลี่ยนทําใหม่คือมาทํากับคนที่เราที่เรารักใคร่พอใจหรือว่าทํากับเ่าเราจะเกิดความชื่นชมดีๆในเรื่องดนั้น แสดงเห็นว่าเก็จริงๆแล้วมาตรฐานนั้นไม่ได้มีอยู่อย่างชัดเจนเพราะคนจะอ่อนไหวไปตามอารมณ์ซึ่งเกิดขึ้นในลักษณะนั้นด้วยอำนาจของความรักและความชังสรุปว่าตราบใดที่จิตใจเรายังมีอคติอยู่การแกว่งไกวการขาดความสงบก็จะเกิดขึ้นแก่ใจได้ตลอดการกำหนดอารมณ์ก็จะมีลักษณะสับสนคือหาข้อยุติที่แน่นอนชัดเจนลงไปไม่ได้ แต่พระพุทธเจ้าก็ส่งสอนให้บุคคลใช้สติเป็นตัวระลึกรู้อารมณ์ซึ่งผ่านเข้ามาอารมณ์นั้นอาจจะก่อให้เกิดความรักความชังด้วยความจงใจหรือไม่จงใจคือเป็นสภาพของอารมณ์ก็ได้บางทีรูปหล่นนั้นเขาก็อยู่เขาเฉยๆเช่นว่าสินค้าที่วางไว้ในร้านต่างๆในห้องโ์สินค้าต่างๆ ตัวสินค้าเองมันก็เป็นอย่างที่มันเป็นแต่คนที่นำมาวางไว้นั้นก็ต้องการจะโฆษณาต้องการจะเร่งร้าวชิโชวนชักชวนให้เราไปซื้อหาสินค้าเหล่านั้นมาแต่ปัญหาจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ที่ตัวสินค้าเหล่านั้นกลับไปอยู่ที่ใจคนซึ่งไปมองเห็นสินค้าเหล่านั้นห้องโชว์สินค้าก็แสดงว่าเขาต้องการจะอวดมันก็บอกไว้ตั้งแต่ต้นแล้ว ถ้าเราไม่ให้ความสําคัญแก่ตัวสินค้าเหล่านั้นสินค้ามันก็อยู่อย่างสินค้าที่บรรจุแต่ถ้าเราไปเกิดให้ความสําคัญค่าจิตใจเราก็จะเปลี่ยนแปลงไปตามการกําหนดตัวสินค้าเหล่านั้นด้วยความชอบหรือด้วยความไม่ชอบถ้ากําหนดด้วยความชอบความยินดีก็เกิดขึ้นถ้ากําหนดด้วยความไม่ชอบความยินร้ายก็บังเกิดขึ้นเพราะนความยินดีและความยินร้ายจึงเป็นการจงใจให้เกิดขึ้นของเราเอง ไม่จะเกิดขึ้นจากความพยายามของบุคคลอื่นแต่บางครั้งบางคราวนั้นมีลักษณะกระตุน้นมีลักษณะเร่งร้าวมีลักษณะเชิญชวนยวัยว่วยวนค้าทายคือจะเกิดความรู้สึกขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นภาระสำคัญในช่วงนี้จิตใจของบุคคลจะต้องมีความมั่นคงไม่ออนไวต่ออารมณ์เหล่านั้นง่าย ตัวสติก็ดีตัวปัญญาก็ดีจะต้องมีกำลังมากพอถึงจะต้านทานกระแสของอารมณ์ดนนั้นได้เพราะในภาคปฏิบัติจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าหรือพระหันทั้งหลายก็ตามจะไปบรรลุในท่ามกลางความสงัดเงียบการบรบกวนจากอารมณ์ทั้งหลายมีอยู่เป็นจำนวน น, น้อยเท่านั้นที่ ใช้อารมณ์หลอนนั้นไปในลักษณะอื่นเช่นอารมณ์ที่มีการด้วยวนด้วยวิธีการต่างๆให้เกิดความรักใคร่หลงไหลพอใจยินดีเพลิดเพลินแต่สติปัญญาของท่านมีความแหลมคมท่านสามารถวิเคราะห์เจาะลึกลงไปเห็นเป็นความปฏิกูลน่าเกลียดไม่สวยงามขึ้นมาได้ซึ่งการกระทำอย่างนั้นจากการสังเกตพบ ว, ว่า มันเป็นในกรณีที่เข้าตาจนแนั่นเองแต่ถ้าหากว่าไม่เข้าตาจนจะไม่มีการเสี่ยงเข้าไปพิจารณาอารมณ์ในลักษณะนั้นแต่อารมณ์ที่จงใจในแนวนั้นที่จริงมันก็มีไม่ค่อยมากเท่าไหร่เพราะทํำยังไงจึงสามารถระวังใจได้ทั้งสองช่วงคือช่วงอารมณ์ที่ เขามีอยู่เป็นอยู่โดยปกติเราไม่หาเรื่องกำหนัดหรือหาเรื่องให้เกิดความขัดคืงขึ้นมาอารมณ์ที่มีความจงใจคือเป็นลักษณะยั่วยวนเพื่อให้เราเกิดความกำหนัดหรือยั่วยุเพื่อเราเกิดความขัดเคืงแต่ก็ระมัดระวังใจไปได้ในชั้นนี้ทรงสอนให้เห็นว่าสิ่งทั้งหลายที่ปรากฏในโลกหรือผ่านมาทางประถาสัมผัสของเรา ไม่ว่าจะเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูเป็นต้นก็ตามที่มันเกิดเป็นปัญหาภายในจิตใจของบุคคลนั้นจะเกิดขึ้นจากการกาหนดอารมณ์ในสีแนวแนวใดแนวหนึ่งแล้วเมื่อเกิดขึ้นมาสักวแนวคล้ายๆกับเรือมันรั่วนว้ำกระลลักษ์ล้นเข้ามาหรือคล้ายๆกับเกิดมันพังพังตรงโน้นพังตรงนี้พังตรงนั้นก็พังกันไปการใหญ่จิตใจของบุคคลก็มีลักษณะเช่นเดียวกัน คือดเกิดจุดอ่อนขึ้นมาสักจุดหนึ่งมันจะไปสร้างจุดอ่อนในส่วนอื่นด้วยก็นี้ผู้สังเกตว่าในขณะที่เรามีความรักอยู่นั้นมันมีความโกรธและความทุกข์แฝงเร้นอยู่กับความสิ่งที่เรารักนั่นเองและในขณะเดียวกันมันก็มีตัวความรักแฝงเร้นอยู่พร้อมที่จะเพิ่มพูนขึ้น เพราะฉะเราสังเกตจิตใจของเราที่เห็นความเปลี่ยนแปลงเช่นสมมติว่าเรามีคนมาเป็นที่รักหรือว่าของอเป็นที่รักถ้าของนั้นเกิดแปรผันไปเราจะเกิดความสมุขถ้าการแปรผันไปข อ, ของของนั้นเกิดขึ้นจากการกระทําของบุคคลเราจะเกิดความโกรธซึ่งแสดงเห็นว่าในขณะที่มีวัด หรือบุคคลอันเป็นที่รักอยู่นั้นพร้อมที่จะกลายเป็นความโศกพร้อมที่จะกลายเป็นความโกรธและพร้อมที่จะเพิ่มความรักขึ้นหากว่าใครมีการสนับสนุนส่งเสริมในสิ่งที่เรารักหรือในคนที่เรารักจะดูแลจะรักษาให้เราจะเกิดความรักในบุคคลนั้นเพรา ะ, ะลักษณะาทางอารมณ์ที่เกิดขึ้นที่จริงแล้วที่ทรงแสดงไว้นั้นอาจจะไม่แสดงครบก็ได้ แต่ในภาพปฏิบัติแล้วที่จริงจะมีตัวแฝงเร้นอยู่คล้ายๆกับชีวิตที่เราเกิดมาก็เราเกิดตั้งแต่ถือปฏิสนธิในคันของมารดามาแล้วมันมีความแก่มีความตายมีการพลัดพรากสูญเสียแฝงเร้นอยู่กับความเกิดตลอดระยะเวลาเพราะเมื่อเราดูช่วงของชีวิตคนก็ตายอยู่ทุกวัยคนก็แก่ไปทุกวัย แล้วคนก็มีความพร่าพรากจากสิ่งทั้งหลายอยู่ทุกวัยทิศยิ่งมันทุกขณะได้ทําไปนั่นแสดงเห็นว่าถ้าเรามองเกี่ยวับความเกิดก็ใกล้ๆก็มีเฉพาะเกิดแต่ทิศยิ่งไม่ใช่อย่างนั้นสิ่งที่เกี่ยวเนื่องจากความเกิดมันก็ติดความเกิดมาแ ม, ม้แต่ความทุกข์ซึ่งเป็นธรรมชาติธรรมดาแต่แบความหนาวร้อนหิวกระหายปวดอุจจาระปวดปัสสาวะง่วงนอน ความแก่ความเจ็บความตายก็จะติดอยู่กับตัวความเกิดนั่นเองพร้อมจะแสดงตัวออกมาในขณะต่างๆเมื่อมีเงื่อนไขมีเหตุ ม, حد, มีปัจจัยบางอย่งเกิดขึ้นลักษณะของกิเ ล, ลสลักษณะของธรรมะมันก็อยู่ในโครงสร้างนั้นเพราะงั้นรร้เจ้าจึงทรงสแสดงว่ากิเลสยางใดอย่างหนึ่งเวลาก็เกิดขึ้น มันจะทําให้กิเลสอย่างอื่นที่ยังไม่เกิดเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากขึ้นส่นธรรมะเองก็มีลักษณะอย่างนั้ น, นธรรมะก็ใดข้อหนึ่งบางเกิดขึ้นธรรมะก็อื่นนี่ยังไม่เกิดก็จะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วก็จะเพิ่มพูดมากิ่งขึ้นมันในการระมัดระวังใจไว้ด้วยอารมณ์อะไรก็ตามชื่อว่าเป็นการสํารวมระวังในอารมณ์เราอื่นไว้ด้วยเอยงทรงเน้นไว้ในสี่ข้อ ระวังใจแม่กำนัดคือความอยากได้ความพอใจความกระสันอยากความดิ้นรนทะเยอะทะยานอยากก็แล้วแต่ความรู้สึกอาการเหล่านี้หรือถ้อยคำเหล่านี้ที่จริงเป็นการสะท้อนอาการของจิตซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันเวลาไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ตะนันเองโดยสายงกิเลกก็คือสายของโลภะ มีความเข้มข้นไม่เหมือนกันถ้างไเรียกชื่อแตกต่างกันแต่จริงๆก็คือโลภะถ้าคายกับใบไม้ใบหนึ่งจะเห็นว่าในช่วงความเป็นใบไม้นั้นไม่เหมือนกันเราก็เรียกไม่เหมือนกันพวกกิเลสมันก็เป็นอย่างนั้นด้วยธรรมะเองก็เป็นอย่างนั้นาเรียกตามความเข้มขน้นตามลักษณะตามอาการของธรรมะหรือของกิเลสในขณะนั้นๆท่น น, นั้นเอง อารมณ์นั้นอาจจะอยู่โดยสภาพของเขาเราก็ไม่ไปกำหนดด้วยความกำหนัดหรือแม้จะมีการด้อยยวนด้วยความจงใจให้เราเกิดความกำหนัดรักใคร่ยินดีพอใจชอบใจก็มีสติสัมปชัญญะระลึกรู้พิจารณาถึงประโยชน์ที่เราจะได้จากสิ่งเหล่านั้นดึงความคุ้มไม่คุ้มแม้แต่เราจะซื้อหาสิ่งของต่างๆสังเกตว่า ควบบามกระทำเราตัดสินใจซื้อของอย่างใดจะหนึ่งมาโดยไม่คุ้มค่าแล้วก็กลายเป็นทาตรับใช้ดูแลรักษาสิ่งของเหล่านั้นนานๆจะได้ใช้แค่ครั้งหนึ่งนี่เป็นเพราะอะไรเพราะว่าสติสัมปชัญญะมีกำลังไม่มากพอแต่ถูกความอยากเกิดขึ้นครอบงำใจมากจนเกินไปจนลืมนึกลืมพินิพิจารณาถึงความเหมาะความควรหรือความจาเป็นมากน้อยแค่ไหนเพียงไรเจยวของบางอย่างนั้น ถ้าเราซื้อมาเราต้องการจะใช้แต่ว่าเดือนหนึ่งสักครั้งหนึ่งหรือว่าเดือนหนึ่งสักสองครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้เราจ้างคนมาทํามำดีกว่าเพราะจะประหยัดแล้วก็ได้ประโยชน์มากกว่าเราไม่สูญเสียเวลาในการดูแลรักษาแต่ถ้าหากว่าคนคิดไม่ทันหรือว่าคิดต้องการแต่จะได้อย่างเดียวในสูดก็ต้องเป็นทุกข์ด้วยการดูแลรักษาโดยการหาช่างมาซ่อแมแซมสิ่งของต่างๆ เราดูตัวอย่างง่ายๆคล้ายๆเครื่องถ่ายเอกสารเพราะว่าเรามีงานที่จะต้องถ่ายเอกสารนานๆแต่ครั้งหนึ่งแต่เราต้องลงลงทุนซื้อตั้งหลายหมื่นถ้าหากว่าจะไม่ซื้อแต่เมื่อต้องการจะถ่ายเอกสารก็ไปจ้างถ่ายข้างนอกไอ้เงินค่าเครื่องถ่ายเอกสารนั้นเราจะใช้ได้เป็นปีปๆหรือหลายปีก็ยังไม่หมดสิ้นไปและไม่ต้องไปตกกังวลห่วงใยไม่ต้องดูแลไม่ต้องเรียกช่างมาซ่อมอะไรต่างๆเป็นต้น นี่ก็อยู่ที่การมองซึ่งท่านชา้คาว่าวิทุโลคือมองได้ไกลเป็นลักษณะของคนที่เรียกว่ามีวิจารญาณเห็นการไกลจะมองอะไรก็ไม่ได้มองเฉพาะตรงนั้นจะมองไปที่คุณที่โทษที่ประโยชน์ไม่ใช่ประโยชน์ที่ผลกระทบซึ่งเกิดขึ้นจากการเกี่ยวข้องกับสิ่งเดล่านั้นในโอกาสต่อไปทั้งในช่วงสั้นและในช่วงยา ว, ยาว เพราะท่านสุชนทั้งหลายจะสังเกตได้ว่าเวล า, ราพรัฐเจ้าทรงแสดงพวกอานิสง์หรือพวกโทษทั้งต่างๆที่เกิดขึ้นจากการกระทำความดีความชั่วนั้นจะไม่เอาเฉพาะช่วงในช่วงหนึ่งแตเ่เป็นการแสดงกระบวนการของเหตุผลที่มีจุดเริ่มต้นจากความดีหรือความไม่ดีแล้วปะทยอยกันไปเป็นลูกคลื่นค้ามภพข้ามชาติข้ามสังสารวัตรไปเรื่อยๆ ท, ทั้งๆที่มีจุดเริ่มต้นมันก็อยู่ที่จุดใดจุดหนึ่ง คำนองคล้ายๆกับคลื่นก่อตัวขึ้นแล้วก็ทยอยกันไปเป็นคลื่นไปจนกว่าจะถึงฝั่งลักษณะของอารมณ์หรือลักษณะของธรรมะที่เกิดขึ้นภายในใจมันก็มีลักษณะ เ, เดีกัเช่นตัวยอย่างบุคคลที่มีการให้ทานเราจะเห็นว่าการให้ทานนั้นผู้ให้จะเป็นที่รักของผู้รับในขณะนั้นแสดงว่าผลรนั้นก็ได้กันในขณะนั้น เมื่อผลจากการให้ของบุคคลนั้นปรากฏเกียรติคุณที่ดีงามก็จะเป็นที่ยอมรับยกย่องของบุคคลทั้งหลายจะทาให้มีเกียรติมีศักดิ์ศรีในสมาคมต่างๆที่รับรู้เกียรติคุณความดีของท่านเหล่านั้นซึ่งเกิดขึ้นจากการแพร่กระจายของความดีของเขาการแพร่กระจายความดีขเขาก็เกิดขึ้นจากการกระทาของเขา จากการกระทําของเขาทําให้ความดีแพร่กระจายไปเมื่อความดีแพร่กระจายไปสังคมที่รับรู้ความดีของท่านก็จะให้เกียรติยกองท่านจะเป็นผู้องอาจกล้าหานในสมาคมนั้นคนดีทั้งหลายก็จะเข้ามาคบค้าสังคมกับท่านถ้าดํารงชีวิตในลักษณะที่ไม่ว้าวุ่นสับสนมีมิตรมีสหายหยุกมากเพราะงั้นก็จะไม่หลงตาย แต่เมื่อตายไปแล้วจะบังเกิดในสุคติให้เราสังเกตว่าจะแบ่งเป็นสามสี่ช่วงช่วงที่เป็นปัจจุบันใกล้ๆก็คือเห็นในขณะนั้นให้ปั๊บก็เป็นที่รักปุ๊บหรือให้อีกแล้วก็เป็นในรักกันเลยส่วนในเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องต่อมาเป็นช่วงๆไปโดยลำดับเสด็จก่อนที่จะตายก็จะตายอย่างมีสติสัมปชัญญะการตายนั้นที่จริงจะมีในอนาคตเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แหละแต่ว่าจะตายยังมีสติสัมปชัญญะ ชีวิตหลังจะตายก็ไปบังเกิดในสุคติก็คือข้ามภพข้ามชาติไปอีกชีดนั่ น, น, นก็คืออะไรก็คือกระบวนการของผลอานิสงส์ที่เกิดขึ้นจากการกระทำความดีการกระทำความชัวม่วมก็ไหลในระบบนั้นอย่างในกรณีของคนเป็นผู้สนีไม่ให้ทานไม่ยินดีในการจําแนกแจ ก, กแบ่งแก่บุคคลอื่นไอเกียติคุณดีงามที่ว่ามันก็ไม่ได้ สัตบุตรก็ไม่คบค้าสมาคมกับบุคคลผู้นั้นเขาจะไม่เป็นที่รลกของคนเป็นขนาดมากจะไปในสมาคมใดก็ไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีอะไรเพราะเป็นคนคับแคบเป็นคนใจแคบสังคมไม่รู้สึกว่าเป็นหนี้บุญคุณอะไรเขาเขาก็ไม่ได้เกียรติได้สถานะจากสังคมจิตใจเขาก็คงไม่ส ง, งบเมื่อไม่ส ง, งบก็ต้องหลงตายเมื่อตายไปแล้วก็บังเกิดในทุกตินี่ก็เป็นตัวอย่างที่เราเห็นได้ชัดๆว่า ผลอนิสง์หรือโทษเหล่านั้นเป็นการแสดงถึงผลซึ่งเกิดมาจากเขตแต่ทยอยกันต่อเนื่องจนถึงข้ามภพข้ามชาติแล้วจนถึงกลายเป็นพวกวา ส, สนาบารมีต่างๆตลอดถึงเป็นโทษในรูปแบบต่างๆที่ทรงแสดงไว้จนถึงในเปรตบ้างในจตนรกบ้างในสัตติรชานบ้างในวิมานต่างๆบ้างตลอดถึงการเกิดเป็นพรหมแล้วก็เป็นพระยาบุคคลทั้งหมดเป็นกระบวนการไหลของธรรมะ ของกิเลสก็แล้วแต่ว่าจะพูดถึงสายใดเพราะอารมณ์ที่ก่อให้เกิดความกับหนัดมันก็มีลักษณะอย่างนั้นคือใจกำหนดด้วยความกับหนัดแล้วต่อไปมันก็จะมีปัญหาว่าพร้อมที่จะขัดเคือรมเคงพร้อมที่จะเศร้าโศกแล้วก็พร้อมที่จะเกิดความกับหนักเพิ่มขึ้นในขณะเดียวกันการหวงแหนการรักษาการป้องกันความพิจกกังวลเดือดร้อน เพราะต้องดูแลรักษาสิ่งเหล่านั้นก็จะติดตาไปนั้นก็คือกระบวนการของมันในพวกกลุ่มเหล่านี้ส่งสอนให้บุคคลมองในแง่ของความเป็นโทษที่เกิดขึ้นจากความกำหนัดแต่การจะตัดไปเลยก็คงจะทำได้ยากเพราะงั้นจะส่งสอนในรูปของการบรรเทาแต่การบรรเทานั้นจะรงสอนรูปของการใช้ปัญญาคือมองเห็นโทษได้ประจักษ์พอพิจารณาแล้วก็บรรเทา มันเทาอารมณ์อะไรอารมณ์ที่เกิดขึ้นจากการตรึกนึกหรือการเหนียวนึกด้วยอํานาจของความใคร่หรือหน้าของความพยาบาทและด้วยอํานาจของความหลบอารมณ์บางอย่างซึ่งก็อยู่โดยปกติก็มีให้เราสังเกตว่าบางทีคนเดินมาเฉยๆคนนั่งเฉยๆเรารู้สึกหมันไส้ไปเฉยๆก็แสดงว่าเราหาเรื่องให้เกิดโทสะขึ้นมาเอง บางทีเขาก็ยั่วยุเขก็ท้าทายด้วยประการต่างๆที่จริงเราก็เดินไปปกติดีๆจิตใจสบายๆอยู่พอดีไปเกิดคนก็ท่าแสดงอาการท่าทางศพประมาทดูถูกดูหมิน่นเราก็เกิดขัดคืงขึ้นมาแสดงว่าอารมณ์นั้นมันยั่วยุหรือบางทีอารมณ์มันอยู่เฉยๆแต่เราหารเรื่องให้เกิดโทสะขึ้นมาเองเพราะฉะนั้นพระเจ้าก็ทรงสอนในรูปของการระมัดระวังใจของตัวเองอย่าให้ขัดคือง ไม่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความขัดเคืองโดยไม่จงใจหรือด้วยจงใจก็ตามแต่สามารถที่จะต้านทานอารมณ์ด่านั้นไว้ได้ทั้งสองประการก่อ น, นี้เราสังเกตว่าการปฏิบัติธรรมของบุคคลนั้นที่จริงเหมือนกับการยืนเดินนั่งนอนของเราปัญหาสําคัญที่เกิดอุบัติเหตุเกิดหกลม้มเกิดพลังพ้งท่าเกิดเท้าแพลงเกิดเข่าถลอกอะไรเนี่ยมันไม่ได้มีอยู่ทุกขนอะ มนนานๆจะเกิดครั้งหนึ่งทำไมจึงเกิดในช่วงนั้นในขณะนั้นเราก็ตอบได้ ว, ว่าเพราะเราขาดสติในการเดินในการลุกขึ้นในการยืนในการทำงานหรือในการวิ่งไปในสถานที่ต่างๆแต่ถ้าเราขาดสติถ้าเรามีสติอยู่สติเป็นเครื่องรักษาคุ้มครองเอาไว้เราก็ไม่หกล้มเราก็ไม่พั้งพระเราก็ไม่เปิดเร่อ แต่การเหล่านั้นตราบเท่าที่สติเรายังไม่สมบูรณ์มันก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นได้ตํานองใกล้ๆกับเรื่องอื่นเช่นการขับรถเรื่องไปไหนมาไหนเราจะเห็นว่าอุบัติเหตุไม่ได้เกิดขึ้นทุกครั้งที่ขับรถบางคนขับรถนั่งยี่สปี30ปีก็ไม่เกิดอุบัติเหตุอะไรตัวนั้นก็แล้วไปแต่เวลาเกิดเผลอเรือเกิดหลงลงืมพลัง้งพลาดขึ้นมาเพียงชั่ววูบหนึ่งเพื่อชั่วขณะหนึ่งนั้น ภัยอันตรายต่างๆก็พร้อมที่จะเกิดขึ้นเพราะการรุกอำนาจแก่อารมณ์ซึ่งก็ให้เกิดความกำหนัดหรือก่อให้เกิดความขัดเคืองก็มีลักษณะเช่นเดียวกันและพึงสังเกตเลยไปว่าแม้อารมณ์คือความขัดเคืองก็มีลักษณะอย่างนั้นคือพร้อมที่จะขัดเคืองเพิ่มขึ้นพร้อมที่จะผ่อนคลายความขัดเคืองลงไปและพร้อมที่จะกลายเป็นความรักใคร่ยินดีพอใจชอบใจ ตามสมควรเกี่ยวกับความเปลี่ยนแปลงของใจเราที่มีการกําหนดอารมณ์เพระาะลักษณะเหล่านี้จึงจะต้องมีตัวแฝงเร้นในพวกเดียวกันอยู่เสมอแต่ผลนั้นเพื่สังเกตว่าจะออกมาในรูปของความทุกข์ไม่ว่าผลที่เกิดขึ้นจากความกังขาก็ตามเกิดจากความขัดเขืนก็ตามจะต้องออกมาในในรูปของความทุกข์ไม่ระดับใดก็ระดับใดโดยการปฏิบัติ ธรรมะในชั้นต่างๆหรืโดยวิธีการต่างๆนั้นจุดมุ่งหมายของเราจริงๆก็คือต้องการที่จะจูอย่างมีความสุขเพราะความกำหนัดก็ดีความขัดคืนก็ดีแต่แม้แต่ความลุ่มหลงความประมาทโมเมาก็ดีนั้นเป็นทางเพิ่มของกิเลสเป็นทางเพิ่มของความทุกข์การมีสติสัพชัญญะในการดาเนินชีวิตในการเกี่ยวข้องกับโลกของสัมผัส จึงเป็นข้อปฏิบัติที่บุคคลสามารถใช้ในชีวิตประจำวันของตนและเมื่อทำได้ปฏิบัติได้โดยการสำรวจระวังใจตามนยะยติกาบแล้วกิเลส ก, ก็จะลดละบรรเทาลงไปความสุขความส ง, งบก็จะบังเกิดขึ้นตามสมควรแก่กา ร, รปฏิบตัติต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจทมความสงบสุขต่อไป